พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ย1สเอ็ดจตุการนิบาตจตุตถะปันนาฏหมวดห้าสิบที่สี่วรรคที่สี่ชื่อโยธาจีววัตว่าด้วยนักรบทรงแสดงนักรบประกอบด้วยองค์ีว่าควรแก่พระราชาคืนหนึ่งฉลาดในภูมิประเทศเทียบด้วยภิกษุผู้มีศีล สองยิงไกลเทียบด้วยภิกษุผู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงไม่ยึดถือขันห้าสามยิงไวเทียบด้วยภิกษุผู้รู้อริยสัจสี่ตามเป็นจริงสี่ทำลายกายใหญ่เทียบด้วยภิกษุผู้ทำลายกองแห่งอวิชชาใหญ่ได้ ทรงแสดงว่าไม่มีใครๆเป็นประกันได้ถึงสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามิให้แก่เจ็บตายได้กับไม่มีใครเป็นประกันได้ถึงผลของกรรมชั่วไม่ให้เกิดขึ้นได้ตรัสตอบวัสการพราหมณ์มหาอมาตยแคว้นมคธผู้กล่าวว่าตนมีความเห็นว่า ผู้กล่าวถึงสิ่งที่ได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้เป็นผู้ไม่มีโทษโดยทรงชี้แจงว่าพระองค์ไม่ตรัสว่าสิ่งที่ได้เห็นได้ฟังเป็นต้นนั้นควรกล่าวหรือไม่ควรกล่าวทั้งหมดถ้ากล่าวเข้าอากุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมก็ไม่ควรกล่าวถ้ากล่าวเข้าอากุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญก็ควรกล่าวตรัสตอบชานุสัสนิปรามผู้กล่าวว่าตนเห็นว่าไม่มีใครที่จะต้องตายเป็นธรรมดาไม่กลัวไม่หวาดสะดุ้งต่อความตายฝ่ายที่กลัวที่หวาดสะดุ้งคือยังไม่ปราศจากราคะตัณหาในกายยังรักกามรักกายไม่ได้ทําความดีไว้ มีความสงสัยในพระสัจธรรมฝ่ายที่ไม่กลัวไม่สะดุง้งคือที่ตรงกันข้ามตรัสแสดงสัจจ์ของพระามสี่ประการแก่นักบวชลัทธิ์ที่อื่นข้อนี้เป็นการแสดงความหมายของพระามตามหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่ตามหลักของพระามจริงๆ ข้อที่ตรัสแสดงสัจจะของพราามสี่ประการแก่นักบวชลัทธิี่อื่นคือ 1. สัตว์ทั้งปวงไม่ควรฆ่า 2. การไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 3. าพบทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 4. พระมไม่ยึดถือสิ่งใดๆ ตรัสตอบปัญหาของภิกษุรูปหนึ่งดังต่อไปนี้หนึ่งโลกปัญจิตย่อมนำไปย่อมคร่าไปสู่อำนาจของจิตที่เกิดขึ้นแล้วสองพระองค์แสดงธรรมไว้มากมีถึง9ก้าลักษณะที่เรียกว่านวังคาศัตถูศาสนามีพระสูตรเป็นต้นภิกษุรู้เนื้อความรู้ธรรมะแห่งคาถาแม้เพียงสีบท แต่ปฏิบัติธรรมสงวรแก่ธรรมก็ควรแก่คําว่าสดับตรับฟังมากเป็นผู้ทรงธรรมได้ 3. ผู้เข้าใจตลอดเนื้อความเห็นอริยสัจสีด้วยปัญญาชื่อว่าผู้มีนิเพธที่กับปัญญาหมายถึงปัญญาชําแรกหรือทำลายกิเลส 4. ผู้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตมีปัญญามาก คือผู้ไม่คิดเบียดเบียนตนไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคิดทต่ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์แก่โลกทั้งปวงตรัสตอบคำถามของวัสการพราหมว่าไม่เป็นไปได้ที่คนชั่วจะรู้จักคนชั่วว่าเป็นคนชั่วจะรู้จักคนดี ว่าเป็นคนดีแต่เป็นไปได้ที่คนดีจะรู้จักคนดีว่าเป็นคนดีจะรู้จักคนชั่วว่าเป็นคนชั่ววัสกาลรพรามกราบทูลแสดงความพอใจแล้วยกตัวอย่างจริงๆประกอบพุทธดำรัตน์สำหรับคำว่าคนชั่วคนดีในที่นี้ใช้คำบาลีว่าอสัสสปุริสกับส ป, ปุริส เนื้อความนี้อักรรกฐาแก้ไว้หน้าฟังว่าคนชั่วเปรียบเหมือนคนตาบอดคนตาบอดนั้นย่อมมองไม่เห็นทั้งคนตาดีทั้งคนตาบอดส่วนคนดีเปรียบเทียบเหมือนคนตาดีซึ่งมองเห็นทั้งคนตาดีทั้งคนตาบอดอุปกบุตรแห่งนางมันธิกา ผู้เป็นฝักฝ่ายของพระเทวทัตทูลพระผู้มีพระภาคว่าตนเห็นว่าผู้ติเตียนผู้อื่นย่อมไม่ทำความดีให้เกิดขึ้นนับเป็นคนควรถูกติเตียนว่ากล่าวที่พูดเช่นนี้เพื่อจะเสียสีที่พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนพระเทวทัตพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ทาเช่นนั้นและควรถูกติเตียนว่ากล่าว เพราะการที่พูดเช่นนี้ก็เพื่อหาทางจะติดเตียนผู้อื่นอุปกาก็ได้สติยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคทรงนำบวงคือวาทะคล้องตัวเขาซึ่งกำลังโผล่พ้นน้าขึ้นมาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทรงบัญญัติเรื่องอกุศลเรื่องควรละอกุศลเรื่องกุศลเรื่องควรเจริญกุศล อุปกะนําความนั้นไปกราบทูลพระเจ้าอาชาติสตรูก็ถูกพิโรธขับไล่ไม่ต้องการจะทรงเห็นอีกเพราะรุกรานพระกู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่ควรทำให้แจ้งสี่ประการคือหนึ่งธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยนามากายได้แก่วิโมก8 2. ปสอง ธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยสติได้แก่ปุเพนิวาสก์หรือปุเพนิวาสความเป็นอยู่ในชาติก่อน 3. ธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยจักสุได้แก่จุตูปปาตะการเคลื่อนการเข้าถึงหรือการตายการเกิดเห็นได้ด้วยทิพยจักสุสี่ ธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาได้แก่อาสวกขยะคือความสิ้นไปแห่งอาสวะหรือหมดกิเลสตรัสสันเสริญภิกษุสงฆ์ที่ประชุมกันในวันอุโบสถว่าในหมู่ภิกษุนั้นมีภิกษุที่บรรลุความเป็นเทพคือผู้ได้ฌานสี มีภิกษุที่บรรลุความเป็นพรหมคือผู้เจริญพรหมวิหารสีมีภิกษุที่บรรลุความเป็นผู้ไม่หวันไหวหรืออเนนชปะปัตต์ักได้แก่ภิกษุผู้เจริญอรูปฌานสีสำหรับตรงนี้เป็นอันยืนยันว่าอาเนนชะนั้นได้แก่อรูปฌานสีแต่ในที่อื่นตรัสแสดงถึงรูปฌานสีด้วย นอกจากภิกษุสามประเภทที่กล่าวมายังตรัสสรรเสริญภิกษุที่ประชุมกันในวันอุบวนสดนั้นว่ามีภิกษุผู้บรรลุความเป็นอริยะได้แก่ผู้รู้อริยสัจ ส, สี่ตามเป็นจริงวักที่หชื่อมหาวักว่าด้วยเรื่องใหญ่ ทรงแสดงอานิสงส์หรือผลดีสี่ประการแห่งธรรมะที่ได้สดับที่ขึ้นปากที่เพ่งด้วยใจที่ขบด้วยคิดถิคือหนึ่งภิกษุเรียนธรรมะแล้วหลงลืมสติทากาละคือตายเข้าถึงเทพนิกายพวกใดพวกหนึ่งบทแห่งธรรมะของเธอผู้มีความสุขย่อมแจ่มชัดสติเกิดขึ้นช้า เธอย่อมก้าวหน้าไปสู่คุณวิเศษโดยรวดเร็วในวงเล็บวิเศษคามี 2. ภิกษุเรียนธรรมะแล้วหลงลืมสติธรรมกาละเข้าถึงเทพนิกายพวกใดพวกหนึ่งบทแห่งธรรมะของเธอผู้มีความสุขไม่แจ่มชัดแต่ว่าเธอมีฤทธิ์บรรลุความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางจิตในวงเล็บเจโตวสิปโต ย่อมแสดงธรรมแก่เทวะบริษัทสติเกิดขึ้นช้าเธอย่อมก้าวหน้าไปสู่กุณวิเศษโดยเร็ว 3. ภิกษุเรียนธรรมะแล้วหลงลืมสติทรรมกาละเข้าถึงเทพนิกายพวกใดพวกหนึ่งแต่บทแห่งธรรมะไม่ปรากฏเธอไม่มีฤทธิ์ไม่บรรลุความเชี่ยวชาญทางจิตแสดงธรรมแต่ไม่แสดงธรรมแก่เทวบริษัท สติเกิดขึ้นช้าเธอย่อมก้าวหน้าไปสู่คุณวิเศษโดยรวดเร็ว 4. ภิกษุเรียนธรรมแล้วหลงลืมสติธรรมกาละเข้าถึงเทพนิกายพวกใดพวกหนึ่งแต่บทแห่งธรรมะไม่ปรากฏเธอไม่มีฤทธิ์ไม่บรรลุความเชี่ยวชาญทางจิตแสดงธรรมเธอไม่มีคุณสมบัติทั้งสามอย่างแต่เตือนผู้เกิดภายหลังให้ระลึกได้ว่า เคยประพฤติรงมจันทร์สติเกิดขึ้นช้าเธอย่อมก้าวหน้าไปสู่กุณวิเศษโดยรวดเร็วทรงสแสดงฐานะสีที่พึงทราบได้โดยฐานะสีคือหนึ่งศีลพึงทราบได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน 2. ความสะอาดพึงทราบได้ด้วยการสนทนา 3. กำลัง ในที่นี้หมายถึงกำลังของใจพึงทราบได้ในเวลามีอันตรายเกิดขึ้น 4. ปัญญาพึงทราบได้ด้วยการถามการตอบทั้งสี่ข้อนี้ต้องอาศัยเวลานานและผู้ทราบก็จะต้องใส่ใจและมีปัญญา ตรัสแสดงธรรมแก่เจ้าลิชวีชื่อพัทถยาผู้มาทูลถามว่ามีคนเขาพูดกันว่าพระองค์มีมายารู้มายาเป็นเครื่องกลับใจคนซึ่งใช้เครื่องกลับใจสาวกเยรติอื่นๆจะเป็นการหาความหรือไม่ตรัสตอบว่าไม่ควรเชื่อโดยฟังตามกันมาเป็นต้นซึ่งมีข้อความเหมือนในกาลามสูตรต่อเมื่อรู้ได้ด้วยตนเองว่า ชั่วดีอย่างไรจึงค่อยละหรือทำให้เกิดมีขึ้นแลตรัสฐามไม่เห็นโทษของโลภะโทสะโมหะและคุณของอโลภะอโทสะอโมหะด้วยตนเองครั้นแล้วตรัสว่าผู้ใดเป็นคนดีผู้นั้นย่อมชักชวนสาวกให้ละโลภะโทสะโมหะสารพะหรือความแข่งดี เจ้ลิชวีชื่อพัทยะก็เริ่อมใส่ในพระธรรมเทศนาประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิตพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเราได้กล่าวหรือเปล่า ว, ว่าจงมาเป็นสาวกของเราเราจะเป็นศาสดาของท่านพัทยะลิชวีกราบทูลว่าไม่ได้ตรัสดังนั้นแล้วกราบทุลสันเสริญว่ามาอย่ากลับใจนี้ หมายถึงถ้าเป็นมายาจริงก็ดีและเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ทุกคนพระอานนท์แสดงธรรมแก่ราชบุตรแห่งโกริยะกษตรชาวสาปุคคณิคมหลายองค์ถึงองค์แห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์สี่อย่างคือองค์แห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีลแห่งจิตแห่งทิฏฐิหรือความเห็น และแห่งวิมุตต์หรือความหลุดพ้นโดยชีย้ไปที่การสำรวมในพระปาติโมกการเข้าฌานสีการรู้อริยสัจสีตามเป็นจริงการทําจิตใ จ, ใจคลายกําหนัดในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดการเปลืองจิตในธรรมะที่ควรเปลื้องโดยลําดับครบสีข้อพระมหาโมคลานะถานวัปปะสกะักยัก ผู้เป็นสาวกของนิครนถึงเรื่องฐานะที่เป็นเหตุให้อาสะวะอันเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาท่วมทับบุคคลในโลกหน้าหรือสัมปารยาภพพระผู้มีพระภาคเสด็จมาตรัถามและตรัสโต้ตอบกับวัปปะสักยะโดยทรงตั้งปัญหาให้ตอบและเห็นจริงได้ด้วยตนเองว่าอาสะวรที่เกิดขึ้น เพราะความริเริ่มทางกายวาจาใจและเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยถ้าบุคคลเว้นได้ไม่ทำกรรมใหม่ทั้งทำกรรมเก่าให้สิ้นไปก็จะไม่เห็นฐานะที่อาสวะอันเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาท่วมทับบุคคลได้ในโลกหน้าในที่สุดวัฏปัจจคยกราบทุนสันเสรินพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตสำหรับส่วนนี้วัปศักยะได้กราบทูลเปรียบเทียบว่าเข้าไปหาพวกนิครนไม่ได้กําไรทั้งได้รับความลําบากเหมือนหวังได้กําไรซื้อลูกม้ามาเลี้ยงกําไรก็ไม่ได้ทั้งได้รับความลําบากเพราะลูกม้าเป็นโรคตายถึงตรงนี้ รวมเป็นบุคคลสำคัญสามคนที่เปลี่ยนศาสนาจากนิครณมาเป็นพุทธศาสนิกคือหนึ่งวัปปะสักะยะผู้เป็นอาพระพุทธเจ้า 2. สศีหะเสนาบดีแห่งกรุงเวสาลีแคว้นวัดชีและสอุบาลีคฤหะบดีแห่งเมืองนาลันธา ตรัสแสดงธรรมแก่เจ้าลิชวีชื่อสาระหะและอภัยยะเรื่องสมณะพราหมผู้มีความประพฤติทางกายวาจาใจและการเลี้ยงชีพไม่บริสุทธิ์ว่าเป็นผู้ไม่ควรเพื่อตรัสสรูปต่อบริสุทธิ์จึงควรตรัสสรูปตรัสตอบพระนางมาลิกาผู้กราบทูลถามปัญหาสี่ข้อโดยส่งชี้แจงว่าหนึ่ง มาตุกคามผู้มักโกรธไม่ให้ทานมีใจริษยาจะเป็นผู้มีรูปสามและยากจนมีศัก์น้อยสองมาตุกคามผู้มักโกรธแต่ให้ทานไม่มีใจริษยาจะเป็นผู้มีรูปสามแต่มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีศัก์ใหญ่สามมาตุคามผู้ไม่มักโกรธแต่ไม่ให้ทาน มีใจริษยาจะเป็นผู้มีรูปงามแต่ยากจนมีสัก์น้อยสมาตุคามผู้ไม่มาโกรธทั้งให้ทานและมีใจไม่ริษยาจะเป็นผู้ทั้งมีรูปงามทั้งมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีสัก์ใหญ่พระนางมริกากราบทูลว่าเชอรอยพระนางจะเป็นคนขี้โกรธในชาติอื่น จึงทรงมีรูปสามชะรอยจะเคยถวายทานจึงมั่งคั่งและชะรอยจะไม่มีใจริษยาจึงมีศักย์ใหญ่เหนือหญิงทั้งปวงในราชสกุลแล้วทรงแสดงพระประสงค์ว่าจะไม่มักโกรธทั้งจะถวายทานและไม่มีใจริษยาตั้งแต่วันนี้ไป ตรัสแสดงเรื่องบุคคลสี่ประเภทคือผู้ทำตนให้เดือดร้อนเป็นต้นพร้อมกับข้อความในกัทธร ก, กสูตรตรัสแสดงเรื่องตันหาอันเป็นเสมือนไข่ดักสัตว์โดยทรงแสดงตันหาวิจริตความท่องเที่ยวไปแห่งตันหาคือความทยานอยากที่ปรารบขันห้าที่เป็นไปในภายในสิบดอย่างที่ปรารบขันห้าที่เป็นไปในภายนอกสิบปดอย่าง เป็นไปในการสามรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งรงแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นสี่อย่างคือหนึ่งความรักเกิดจากความรักเห็นคนอื่นเขาพูดด้วยถ้อยคำที่ดีงามต่อคนที่ตนรักก็เลยคิดรักคนอื่นนั้นด้วยสอง ความประทุษร้ายเกิดจากความรักเห็นคนอื่นเขาพูดด้วยถ้อยคำไม่ดีงามต่อคนที่ตนรักก็เลยคิดประทุษร้ายคนอื่นนั้นด้วย 3. ความรักเกิดจากความคิดประทุษร้ายเห็นคนอื่นเขาพูดด้วยถ้อยคำที่ไม่ดีงามต่อคนที่ตนเกลียดก็เลยรักคนอื่นนั้นด้วย 4. ความคิดประทุษร้าย เกิดจากความคิดประทุษร้ายเห็นคนอื่นเขาพูดด้วยถ้อยคำอันดีงามต่อคนที่ตนเกลียดก็เลยเกลียดคนอื่นนั้นด้วยแล้วตรัสต่อไปว่าภิกษุผู้เข้าฌานทั้งสี่ย่อมไม่เกิดความรักความคิดประทุษร้ายทั้งสี่ประเภทนั้นยิ่งสิ้นอาสวะความรักความคิดประทุษร้ายก็เป็นอันละได้อย่างถอนราก และภิกษุนั้นก็จะไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตนหรือถือกายของตนตามแนวสักยะทิฏฐิยี่สิบอย่างไม่ฟุ้งตอบคือไม่ด่าตอบคนที่ด่าเป็นต้นไม่เป็นควนัเพราะมีความท่องเที่ยวแห่งตันหาปรารบขันห้าภายในไม่ลุกเป็นเปลวเพราะมีความท่องเที่ยวแห่งตันหาปรารบขันห้าภายนอกไม่ถูกเผา คือละอัสมิมานะความถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ได้หมวดนอกจากห้าสิบหมวดนี้เรียกว่าปนาสกะสังคาหิตวักคือวักที่ไม่จัดเข้าในหมวดห้าสิบจัดเป็นหมวดพิเศษแบ่งเป็นหมวดย่อยหรือวักเจ็ดวักวักละประมาณสิบสูตรเช่นกัน วักที่หนึ่งชื่ออาศ์ปุริสวักว่าด้วยคนชั่วทรงแสดงคนชั่วหรืออาศ์ปุริสะและคนดีคือสับปุริสะด้วยเรื่องละเมิดศีลห้าชักชวนเพื่อละเมิดศีลห้าหรือตั้งอยู่ในศีลห้าชักชวนเพื่อตั้งอยู่ในศีลห้ารวมทั้งธรรมะฝ่ายชั่วฝ่ายดีอื่นๆ วักที่สองชื่อโสพนวักว่าด้วยคนดีงามทรงแสดงคนที่ประทุษร้ายบริษัทเพราะทุศีลมีบาปธรรมคนที่ทำบริษัทให้งามเพราะมีศีลมีกัละยาณธรรมและทรงแสดงความชั่วความดีอื่นๆที่ทำให้ตกนรกหรือขึ้นสวรรค์เหมือนถูกนำไปวางไว้ วรที่สชื่อพุทธจริตวัคว่าด้วยความประพฤติชั่วทรงแสดงวจีทุทธจริตสคือพูดเท็จพูดสอเสียพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อและทรงแสดงคนผานและบันดิตผู้ประกอบด้วยความชั่วความดีต่างๆในที่สุดทรงแสดงกวีสี่ประเภทคือจินตากวีกวีทางความคิดสุตตะกะวี กวีทางสะดับฟังอัฐกะวีกวีทางเนื้อความและปฏิภาณกวีกวีทางปัญญาหรือญาณวรกที่สี่ชื่อกรรมวัตรว่าด้วยกรรมคือการกระทำทรงแสดงกรรมสี่อย่างคือกรรมดำมีวิบากหรือผลดำ ดำขาวมีวิบากขาวดำทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวดำไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวทรงแสดงว่าสมณะที่หนึ่งได้แก่พระโสดาบันสมณะทีส่สองได้แก่พระสกทาคามีสมณะที่สามได้แก่พระอนาคามีสมณะที่สี่ ได้แก่พระอระหันต์มีเฉพาะในพระธรรมวินัยนี้เท่านั้นแล้วทรงแสดงว่าเพราะอาศัยคนดีจึงหวังอนิสง์หรือผลได้สี่ประการคือเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาและวิมุตหรือความหลุดพ้นวรรคที่ห้าชื่ออปัติภยาวรค ว่าด้วยภัยคือสิ่งที่น่ากลัวแห่งอาบัติตรัสกับพระอานนท์ว่าภิกษุชั่วเห็นประโยชน์สประการจึงพอใจด้วยการทําสงฆ์ให้แตกกันคือถ้าภิกษุร้อมเรียงกันก็จะกําจัดเราผู้ทุศีลผู้มีความเห็นผิดผู้เลี้ยงชีวิตผิดผู้อยากได้ลาบแต่แตกกันก็จะกาจัดเราไม่ได้ แล้วส่งแสดงภัยแห่งอาบัตและอานิสง์แห่งการศึกษาท่งแสดงการนอนสี่อย่างคือหนึ่งการนอนของเปรตในวงเล็บนอนงาย 2. การนอนของผู้บริโภคกามในวงเล็บตะแคงซ้าย 3. การนอนของราชสีในวงเล็บตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าเอาหางสอดไว้ในระหว่างเท้า 4. การนอนของพระตถ า, าคตในวงเล็บเข้าชานที่สหมายเหตุผู้อ่านสำหรับในวงเล็บเรื่องการนอนนี้น่าจะเป็นการเปรียบเทียบนะครับยังไงถ้าผู้สนใจควรศึกษาจากต้นฉบับควรฟังหรืออ่านจากพระไตรปิฎกฉบับจริงอีกทีนะครับทรงสแสดงบุคคลผู้ควรแก่สัถูปสี ทรงแสดงธรรมะสี่อย่างที่เป็นไปเพื่อความเจริญด้วยปัญญาคือหนึ่งคบคนดี 2. ฟังธรรมะของท่าน 3. ไตรตรองโดยแยกคายสประพฤติ ธ, ธรรมสงวรแก่ธรรมทรงแสดงธรรมะสี่อย่างที่มีอุปการักมากแก่มนุษย์เหมือนกับธรรมะที่ให้เจริญด้วยปัญญา ทรงแสดงโวหารคือคาพูดที ifying, ่ไม่ประเสริฐและประเสริฐฝ่ายละสี่อย่างคือพูดว่าได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้ในสิ่งที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้ทราบไม่ได้รู้หรือพูดว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ในสิ่งที่ได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้นี้เป็นฝ่ายไม่ประเสริฐ หมายถึงพูดตรงกันข้ามกับสิ่งที่ได้ประสบแต่ในฝ่ายประเสริฐได้แก่พูดตามเป็นจริงวัคที่หชื่ออภินญาวัคว่าด้วยความรู้แจ้งทรงแสดงธรรมสี่อย่างคือที่ควรกำหนดรู้ด้วยความรู้ยิ่งได้แก่ขันห้าที่บุคคลยึดถือ ที่ควรละด้วยความรู้ยิ่งได้แก่อวิชชาความไม่รู้กับภวะตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ที่ควรเจริญได้แก่สมถะหรือความสงบใจและวิปัสสนาความเห็นแจ้งที่ควรทำให้แจ้งได้แก่วิชชาความรู้และวิมุตติความหลุดพ้น ทรงแสดงการแสวงหาอันไม่ประเสริฐและประเสริฐฝ่ายละสีอย่างคือการแสวงหาสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองเป็นธรรมดาฝ่ายดีคือตรงกันข้ามทรงแสดงเรื่องของการสงเคราะห์หรือสังฆะวัตถุสี่คือการให้การพูดไพเราะการบำเพ็ญประโยชน์การวางตนสม่ำเสมอ ทรงแสดงความเกิดขึ้นแห่งตันหาสี่อย่างคือเกิดขึ้นเพราะปั จ, จัจสีแก่พระมาลุงกยมุตรทรงแสดงว่าตระกูลอันถึงความเป็นใหญ่ในโภกะทรัพย์จะตั้งอยู่ไม่ได้นานด้วยฐานะสีคือไม่สแสวงหาของที่หายไม่ซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดใช้จ่ายดื่มกินไม่มีประมาณ ตั้งหญิงหรือชายผู้ทุศีลให้เป็นใหญ่ส่วนที่จะตั้งได้อยู่นานคือตรงกันข้ามทรงแสดงเรื่องม้าอาชาในสีประเภทเปรียบด้วยคุณธรรมของภิกษุเหมือนที่กล่าวมาแล้วในหมวดก่อนเป็นแต่เพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งคือสมบูรณ์ด้วยกำลังเทียบด้วยปรารบความเพียรทรงแสดงกำลังสี่ ได้แก่กําลังคือความเพียรสติความระลึกได้สมาธิปัญญาทรงแสดงว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะสี่อย่างไม่ควรอยู่ป่าคือประกอบด้วยความตรึกในการในการปองร้ายในการเบียดเบียนเป็นผู้มีปัญญาสามถ้าตรงกันข้ามก็ควรอยู่ป่า ทรงแสดงคนพาลและบัณฑิตประกอบด้วยธรรมะปายละสี่อย่างคือการกระทำทางกายวาจาใจและความเห็นอันมีโทษหรือไม่มีโทษวักที่7ชื่อกรัมรมะปฐวักว่าด้วยกรรมบทหรือทางแห่งกรรมดีกรรมชั่ว ทรงแสดงว่าผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่อย่างจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์เหมือนถูกนำไปวางไว้คือหนึ่งประพฤติชั่วด้วยตนเองประกอบด้วยกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่มโนทุจริตสามรวมเป็นอกุศลกรรมบทสิบชักชวนผู้อื่นเพื่อประพฤติชั่ว 3. ยินดีในความชั่วสี่ พันนาคุณของความชั่วส่วนฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามหมวดพระสูตรนอกจากห้าสิบหมวดนี้มีข้อความสั้นที่สุดคือตรัสสอนให้เจริญสติปัฏฐานสี่หรือการตั้งสติสี่อย่างสมปทานสี่ความเพียรชอบสี อิทธิบาทสีหรือธรรมะอันให้ถึงความสำเร็จสี่อย่างเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อลักอุปกิเลสสิบหกอย่างมีราคะเป็นต้นจบเล่มที่21อังคุตระนิกายจะตุกการนิบาทต